hmm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 ก็ทำให้ต้องดิ้นหลนทำให้ต้องเหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการแสวงหาเงินทองนะชื่อเสียงการยอมรับนะเนคนหนึ่งเขานะคล้ายกดไลค์ให้เขานะแต่ไอ้รอนี่ไม่ค่อยมีคนกดนะหรือมีคนกดเป็นพันแต่ยังอยากได้เป็นหมื่นนะก็ทุกข์นะถ้าจิตเนี่เป็นจิตที่ป่วนนะ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 ย่อมทํากับตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรูก็คือทำร้ายตัวเองและศัตรูชนิดนี้น่ากลัวกว่าศัตรูที่อยู่ข้างนอกที่เป็นคนอื่นนะไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานหรือว่าอยู่บนท้องถนนด้วยซ้ำเพราะว่าศัตรูชนิดนี้มันตามติดเราไปตลอดทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูี่หมายความว่าอย่างไงนะความหมายพื้นฐานคือว่า ชอบไปผิดศีลนะทำชั่วทําบาปเมื่อทําแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความทุกตามมาผิดศีลไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อสองข้อสเนี่ยมันก็เลแล้วแต่ตามมาด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจอาจจะได้ประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นไปขโมยเข้ามาเออมันก็มีเงินใช้นะแต่ว่ามันก็เป็นสุขชั่วคราวนะแล้วก็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 ใจเรานิ่งหรือจะเปรียบเหมือนกับว่าสายฝนมนกับภาพที่เราปกติเราไม่อยากเห็นอาจจะเป็นภาพตุกแกนะมากระทบตาเราหลังคาก็เปืม้มกับตาเรามากระทบแต่ว่าใจเรานิ่งถ้าอะไรก็ตามที่มากระทบนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบตาหูจมูกร่นกายหรือแม้แต่ใจ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 สำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันทำให้โกรธทำให้โมโหแต่ว่าใจเรานิ่งได้นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะมนุษย์เรา เ, าเรียกว่เวนัยศัตว์นะแปลว่าสัตว์ที่ฝึกได้ไม่ใช่ฝึกได้ทางกายเท่านั้นนะไม่ใช่ฝึกการใช้มือให้สามารถที่จะวาดรูปที่สวยงามหรือว่าเขียนตวนัวอักษรที่อ่างามพริวนะแต่ใจของเราก็ทาได้ นักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาฝึกกายจนกระทั่งเขาสามารถทำสิ่งที่น่าทึ่งอัศจรรย์ได้แต่ความเป็นเวเนยสัตว์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่กายเท่านั้นนะอยู่ที่ใจด้วยใจเราสามารถฝึกได้แล้วถ้าเราฝึกใจให้ดีนะใจก็จะเป็นมิติประเสริฐที่สุด ข, ของเราชนิดที่พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้หรือ แม้แต่การยันมิกรูบาจาร์ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้คือสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้เลยนะสามารถทำให้ใจนี้สงบนไม่ว่ามีอะไรมากระทบนะตาหูจมูกลิ่นกายแม้จะเจ็บป่วยแค่ไหนมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจก็สงบทุกวันนี้เนี่ยพอป่วยกายแล้วใจก็ปวนตามไปด้วยแล้วพอใจปวนนะมันก็ไปซ้ำเติมกายทาให้หนักขึ้นนะพอ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 เราก็สามารถจะสดุกสุขได้ในทุกที่นะสงบได้ในทุกสถานอาลหัาานต์พรพุทธ น, นี้